ผู้หญิงแถวหน้าเชิญมีอะไรถามากูต้องรู้จักถามถ้าไม่รู้จักถามกูบาอาจารย์ไม่พูดเอ <c oughs> เอาถามเจ้าวาดบ้างก็ได้ใครนานๆมาสักครั้งหนึ่งนี่เจ้าวาดท่านอยู่ประจำเนี่มาประจำฟังบ่อยแล้วเบื่อฟังพระลังพูดไทยไม่ได้หรอ อ๋อใครใครใครใครจะพาตัดห <c oughs> เป็นอะไรอะ่ะ <c oughs> เ, เป็นเส้นเลือดขอค่ะเส้นเลือดขอเส้นเลือดขอด ท, ที่ลำไส้ที่อะไรที่ขาเป็น่า่าตื <c oughs> ้นๆไม่ลึกเ <c oughs> ขาเ ข, ขาไม่ต้องใส่ยายสลบนะเขาไม่ต้องใส่ยายสลบใส่สายายชา เราก็ไม่ต้องหลบแล้วก็ดูเลย <c oughs> เราดูแล้วผู้ดูต่างหากไอผู้ที่กําลังเป็นอยู่ในต่างหากดูให้เห็นเป็นผู้ดูกับสิ่งที่ถูกดูนี่ <c oughs> มันเป็นหลักธรรมะเลยนะเนี่ย <c oughs> เป็นหลัก <c oughs> เป็นหลักธรรมะ <c oughs> เป็นข้อปฏิบัติเลยนะอ มันมีกายเสร็จแล้วมันก็มีเวทนาเวทนาคือสถานะ ก, การเปลี่ยนแปลงของกายต้องปแปลไหมแปลมีค่เพราะมันมีคนอู่บนนี้ถ้าแปล <c ười> ถ้ายาวๆคือคือถ้าแปลผมภาษากลางด้วยครับสมมติผมสมมติผมหยุดปั๊บท่านรีบต่อบางทีผมหยุดแล้วท่านยังไม่ต่อผมก็ต่ออีก ผมอยู่แล้วท่านยังไม่ตอบผมต่ออีกมันก็เลยยาวเลยทีนี้วาระวาระสุดท้ายทุกคนะจะต้องจะต้องประสบวิกฤตบางสิ่งบางอย่างเราควรจะวางแผนกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้ที่สำคัญที่สุดก็คือการเจ็บการล้มการตายอะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นช่วง เป็นช่วงวิกฤตเป็นช่วงอกกริเป็นช่วงคับขันคิดของคนเราเวลาเราไปถึงช่วงคับขันนี้เราจะวางจิตยังไงเราจะทําตัวยังไงมันมันสำคัญอยู่นะถ้าไม่ฝึกเอาไว้นีไม่ได้ไม่ฝึกเอาไว้วิตกกังวลคิดหนักคิดหลังวุน้นทุกทุกไปโดยประเสิฐจากความจําเป็นไม่จําเป็นเลยพระเจ้ทาท่านจึงให้ดูดูกายดูกายแล้วก็ดูเวทนา ดูกายและก็ดูเวทนาหลวงตาท่านสอนะยุคเข้ามาด้วยกันเลยให้ดูกายแล้วก็ดูความเจ็บปวดนั่นแหะคือเวทนาแล้วก็ท่านให้ดูมาที่จิตดิให้ดูมาที่จิตเพราะจิตเป็นผู้รู้เป็นผู้รับรู้แต่แต่ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายถูกบาดถูกเจ็บทุกอะไรต่ออะไรนะมันมันปวดขึ้นมานี่คือทุกขเวทนาท่านให้ดู เอาผู้รู้เนี่ยดูเวทนาเวทนาคือเวทนานะหัวเขาก็คือกายกายก็ไม่ใช่เราเวทนาก็ไม่ใช่เราอันนี้คือเงื่อนไขในการดูเงื่อนไขในการดูไม่ให้เอาเราไปรับว่าหัวเขาเราไม่ไม่ไม่เอาเราไปรับว่าเราเจ็บเราปวดแท้ที่จริงความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นเป็นการพูดถูกพูดตรงตามหลักความเนจริงแต่ถ้าเราไม่เคยฟังแล้วเราจะเห็นว่าเป็นคำพูดธรรมดาธรรมดา แต่ถ้าใครเคยต่อก่อนกันกับความเจ็บความปวดเราจะรู้วิธีทดสอบไม่ยากเลยให้เรานั่งนานๆนั่งภาวนานานๆมันจะเจ็บมันจะปวดแล้วเราใช้บทตรงนี้เรามาฝึกซ้อมตัวเองมาฝึกซ้อมไปมันจะเห็นความจริงเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนลุงตาท่านสอนกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยใช้ในคราวเดียวกันบางครั้งเราไปเรียนเรียนภาคปริยัต เรียงกายเราก็เข้าใจแตเรื่องกายไม่ได้มาพูดมาให้เกิดความสัมพันธ์กับเวทนาแต่เวลาเขาทางานเขาทํางานประสานกันตลอดสมมุติอย่างปวดเนี่ยเราจะพ่าตรงไหนเราเจ็บตรงไหนเราปวดตรงไหนเราก็ดูหัวเขาก็สักแทว่าหัวเขา ก, กายก็สักแทว่ากายผู้รู้ว่ากายอีิจหานี่มันเกิดการแยกกันแล้วหัวเขาก็เป็นหัวเขาผู้รู้รู้ก็เป็นเป็นผู้รู้มันคนละอันเลยนะั่นเนี่ยเป็นคนละอัน แต่ด้วยเหตุที่เราไม่เคยเข้าใจไม่เคยรู้เรื่องเป็นอันเดียวกันเหมือนกัำปั้นแต่ถ้าผู้ที่เคยรู้เคยฝึกเมือ่อกเราแยกนี่โอ๋อันนี้อันหนึ่งอันนึงห น, น, น, นึ่งแต่เวลาเขาทํางานเขาจะสัมพันธ์กันไปหมดครูบาอาจารย์ท่านให้ดูอย่างนี้ความจริงของมันคืออย่างนั้นเป็นอย่างนั้นให้ดูกายน้งตาท่านสอนพิเศษให้ดูกายแล้วขย้อนมาดูจิต ดูเวทนาทั้งความรู้สึกอยู่กับเวทนาและให้ย้อนมาดูจิตเพราะตัณหาเวลามันเกิดมันเกิดที่จิตพอตัณหามันแทรกเข้ามาปั๊บมันบอกหัวเขาเรามันบอกว่าเราเจ็บมันบอกว่าเราปวดมันก็วิตกมันก็กังวลกลัวเจ็บกลัวปวดกลัวตายกลัวถึงเป็นกลัวถึงตายกลัวเอามาผลักเอามาพาดกลัวอะไรแต่ไรสารพัดวิตกกัวลตามมาสิ่งเหล่านั้นคือตัณหาตัณหาถ้าถ้าเพื่ออะไร เป็นเหตุให้มันไม่ชอบแล้วเนี่ยมันจะวาดภาพทุกอย่างมันจะพยายามปัดไม่ยอมรับความจริงแต่มันตรงกันข้ามกับธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านให้ยอมรับความจริงที่แท้ความจริงก็คือหลักของสัจธรรมนั่นแหละสัจธรรมเหล่านี้ไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงได้อ่ามันอยู่ในสถานะเดิมไม่ได้มันต้องเปลี่ยนไปมันอยู่ไม่ได้นั้นเป็นทุกขังมันเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังมันก็มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ เหมือนอย่างร่างกายของเราทุกคนนี่เคยคงที่อยู่เท่าเดิมไหมไม่เคยคงที่อยู่เท่าเดิมเราดูไม่ยากเลยเราย้อนจากเดี๋ยวนี้ย้อนย้อนย้อนย้อนระลึกย้อนหลังไปถึงในท้องแม่เราทุกคนเกิดในท้องแม่เริ่มแรกเป็นน้ำใสๆธาตุพ่อธาตุแม่มาประกอบกันเป็นน้ำใสๆเราเริ่มจากอัตราตัวตนที่เรามีอยู่เต็มแปรตอนนี้ยนลงไปยนลงไปยนถึงในท้องแม่ หายหมดเลยอัตราตัวตนโผล่ที่ที่ที่โผล่ออกมานี่หมดแล้วไม่มีตัวไม่มีตนแล้ะการพิจารณาได้ข้อพิจารณาแบบนี้เป็นเหตุให้เราได้มาใช้กำกับดูเลยในการพิจารณาเพื่อทำลายอัตราตัวตนอถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ตรงนี้ไม่ได้ไม่เข้าใจอัตราตัวตนโผล่ขึ้นมาอัตราตัวตนโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไร่ตัณหาตัณหาคือความทยานอยากเช่นอย่างหัวข่าวอยาก มันจะแสะความอยากขึ้นมาทันทีอยากไม่ปวดหรือว่าแผลที่เรากําลังทําอยู่นอยากไม่เจ็บอยากไม่ปวดแต่มันอยากเฉยเฉยไอ้ที่มันเจ็บที่มันปวดเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยหนึ่งของมันไอ้ที่มันอยากไม่เจ็บไม่ปวดเป็นปัจจัยเหตุอันหนึ่งของกิเลสมันเป็นเรื่องที่สวนกระแสกันสวนทางกันมันเป็นเหตุผลที่ไม่เข้ากันเพราะฉะนั้นความคิดนึกของปุถุชนธรรมดาธรรมดาจึงมีความนึกคิดอยู่อย่างนี้ว่า เป็นเราว่าเป็นของของเร า, าเราเจ็บเราปวดเอาเราไปใส่อยธาพุทธะือแม้ร่างกายไม่ใช่ของเราเราลองระลึกได้ว่าเราเอาเลือดสักยศไม่ไปเกิดในท้องแม่มีใครเคยระลึกได้ว่าเอาเลือดสักหยศไม่ไปเกิดในท้องแม่ไม่เคยมีเลยธาตุพ่อกับธาตุแม่ประกอบกันในท้องแม่ประกอบกันในท้องแม่หลังจาก เขาไปประกอบกันแล้วเป็นก้อนสังขารก้อนหนึ่งก้อนสังขารก้อนนี้ไม่เคยคงที่อันนี้เป็นหลักศัสตร์จะทำดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าท่านเอามาสอนพวกเราเนี่ยสังขารตัวนี้ไม่คงที่อยู่ในวัยเจริญก็เจริญขึ้นมาเรื่อยเจริญขึ้นมาเรื่อยเป็นน้ํำใสใสเป็นน้ำข้นข้นเป็นข้นเลือดเป็นก้อเนเนื้อเป็นปัญจะสาขามีหัวมีลําตัวมีแขนมีขาอยู่ในท้องแม่7เดือน8เดือนเก้าเดือนสิเดือนแล้วก็ออกมา ออกมายังไม่ร mm ู้เดียงสาภาวะอะไรเท่าไหร่ความคิดถือว่าเป็นตัวเป็นตนมันก็มีอยู่แต่กําลังมันไม่มากเราจะเห็นว่าเด็กนี่เขาชอบใจอะไรเขาหัวเราะร่าเขาไม่ชอบใจเราก็ร้องให้ร้องเขาเอาร้องเอาร้องเอาเรานั่งเครื่องมาจากกรุงเทพเมื่อวานก่อนเนี่ยดนตรีสองวงประสานเสียงกันมาตลอดนั่งอยู่ติดกับเราเสด้วยคือหัวเมียคูหนึ่งเขามีลูกผู้ชายลูกผู้ชายหนึ่งลูกผู้หญิงหนึ่ง มันโตเกือบเท่าๆกันยิ่งไอตอนสองชั่วโมงสุดท้ายจะถึงจะถึงเวลาลงเนี่ยโอ้โหเสียงฮ่าฮอฮตลอดเลยเขาเขาชอบใจเขาก็ายิ้มร่าเขาไม่ชอบใจเราร้องให้อย่างเดียวนั่นคือภาวะของความมีความเป็นมันแสดงตัวปรากฏยังไม่เต็มที่แต่ภาวะเหล่านั้นก็คือเป็นภาวะที่ติดมากับจิตติดมากับกรรมติดมากับจิต ร่างกายเป็นของใหม่ที่เราได้จากพ่อจากแม่โครงสร้างทั้งหมดเราได้มาจากพ่อจากแม่ไม่ใช่อะไรไม่มีอะไรเป็นของเราทั้งนั้นแม้แต่เราโตขึ้นมาขนาดนี้แล้วอัตตาตัวตนมันเต็มแพร่อยู่เราว่าเป็นเราเป็นของของเราเป็นอัตตาตัวตนของเราก็คืออัตตาที่มันมีอยู่ในใจของเรานี่มันมาแสดงให้ปรากฏเต็มที่เต็มแพร่แต่คําสอนของพระพุทธเจ้าสวนทางกับเราเลยใช่ไหมท่านบอกว่าอัตตาอัตตาไม่ใช่เราเราไปเถียงได้ไหมไม่ใช่เรานะ เรามีแต่เราเราเราเราตัณหามันพาให้เรายึดว่าเป็นเราแล้วว่าเป็นของของเราอมันไปยึดหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยเรื่องของตัณหาตัณหาแปลว่าความดิ้นรนความทยานอยากของจิตเราดูมาที่จิตเราเราถึงจะเห็นถ้าไม่ดูมานี่ไม่เห็นอันนี้เป็นเป็นข้อปฏิบัติเป็นข้อปฏิบั ต, รบตริระดับตะลุมบอลเลยนะเนี่ยใครได้วิชานี้ได้วิชาตะลุมบอล ลุงตาท่านว่าเป็นวิชาเป็นธรรมะเพชฌฆาดกิเลส ห, หัวขดเลยแลถ้าใครลองฝึกวิชานี้ได้กิเลส ห, หังขดเพราะอะไรปฏิเสธหมดมันเจ็บมันปวดมาอะไรท่านั้นดูไม่ให้มีเราไม่มีอะไรเป็นของของเราเอาไปรับไปรับรองเท่านั้นแหละเราจะเห็นความอยากในใจของเราความอยากความดิ้นรนของจิตความทะเยอทะยานของจิตพูดเป็นภาษาไทยของเราคือความอยาก พูดภาษาบาลีเขาว่าตัณหาตัณหาตัณ ห, หาคือความทยานอยากจิตของเราแต่ละคนแต่ละดวงแต่ละดวงแลแต่ละดวงเนี่ยมีสิ่งเหล่านี้ปนเปื้อนมาด้วยจิตของเราเป็นท่ารู้เป็นผู้รู้แต่เป็นผู้รู้ไม่บริสุทธิ์มีความอยากนี่แหละปนเปื้อนมาด้วยตั้งแต่กับการปฏิชาติไหนเราก็รู้ไม่ได้แล้วเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนไหนเราก็รู้ไม่ได้ทุกคนมีจิตคนละดวงคนละดวง แต่ภาษาอภิธรรมเขาเรียกกิริยาอาการมันอันนั้นดวงหนึ่งอันนั้นดวงหนึ่งอันนั้นดวงเป็นกิริยาอาการ <c oughs> คือเหมือนอย่างขันตั้ง5รูปก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาตั้ง5อย่างนี้เป็นอาการของจิตจิตคือผู้รู้หน้าที่ของพวกเราผู้ที่ยาาท่านสอนให้พิจารณาเพื่อละเพื่อวางอาการของจิตเหล่านี้เพราะอาการของจิตเหล่านี้มันเป็นเครื่องมือของกิเลสตราบใดที่เราช้พระกิเลส ชำระความอยากหมดไปจากใจอาการเหล่านี้มันก็หมดเหลือผู้รู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวไม่มีเป็น2กับสิ่งใดนี่หน้นาที่ที่พุทธเจ้าท่านสอนให้พวกเราชำระจิตให้บริสุทธิ์เดี๋ยวนี้พวกเรามีขันห้ารูปก็คือที่ปรากฏกับเราเป็นเนื้อเป็นหนังมันสังทั้งหมดเวทนาก็คือดีใจเสียใจแล้วก็เฉยเฉยเวทนาสัญญาก็คือ อาการอย่างหนึ่งของจิตที่มันคาดมันหมายคาดอย่างนั้นคาดอย่างนี้เดาอย่างนั้นเดาย่างนี้หมายอย่างนั้นหมายหมายอย่างนี้กะเกณฑ์ให้เป็นอย่างนั้นกะเกณฑ์ให้เป็นอย่างนี้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือของธรรมก็ได้เป็นเครื่องมือของกิเลสก็ได้แต่ถ้าใครศึกษาเข้าใจรู้เรื่องเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือของธรรมคนนั้นได้ได้ข้อปฏิบัติได้ข้อต่อรองกับเกาะกับกิเลสที่มีอยู่ในหัวใจแต่ถ้าไม่มีกิเลสยึดเป็นเครื่องมือของมันทั้งหมด พายเราจมหลงอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่มีจุดจบไม่มีที่จบล่อปไปด้วยเพลินไปด้วยด้วยเหตุที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจนั่นแหละทําให้เราหลงถ้าเรามาฝึกมาเรียนมารู้ให้เกิดความให้เกิดความเข้าใจถ้าเกิดความรู้เกิดความความเข้าใจแล้วจะปล่อยจะวางวางให้อยู่ตามที่มันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงภาวะเหล่านี้จะต้องวางไว้ตามเดิมเหมือนมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงอย่าก็วางไปหมดผู้ที่วางก็คือผู้รู้ตรงนี้ใ น, นเมื่อวางกิริยาการทั้งหมดกายก็วาง อนตาตัว ต, วตว น, นคือก็คืออนัตตาที่พุติเจตันว่าอนัตตาไม่ใช่เราเป็นเราที่ไหนถ้าเป็นเราต้องบอกมันได้อไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับว่าอนัตตามีเหมือนกันแต่าเราบังคับบัญชามันไม่ได้ไม่ให้มันเจ็บได้ไหมไม่มให้มันแก่ได้ไหมให้มันอ้วนพีขาวผ่องกำลังบังชาดิบดีเรียวแรงสวยงามอย่างนี้ตลอดการได้ไหมบอกมันไม่ได้ไอ้พูดที่จะบอก น, นั่นอ่ะมันมีเหตุมีปัจจัยอย่างหนึ่ง แต่ความมีความเป็นของสิ่งเหล่านี้มันเป็นเป็นเป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งของของของเขามันคนละเหตุคนละปัจจัยแต่ความอยากมันไปกะเคียนทุกอย่างให้เป็นไปตามใจหวังของมันความทุกข์ที่เราประสบทุกวันทุกเวลาทุกนาทีคือความทุกข์อากการผิดหวังไม่อยากให้แก่มันก็ต้องแก่เพราะเหตุปัจจัยของมันไม่อยากให้เจ็บมันก็ต้องเจ็บไม่อยากให้เป็นโรคนู้นโรคนี้โรคตับโรคไตโรคปอดโรคสารพัดที่บัจฉพึงมีพึงเป็นรบอกมาได้ไหม เราบอกไม่ได้สิ่งเหล่านั้นมันมีเหตุมีปัจจัยของมันแต่ตัณหาเนี่ยมันอยากอยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นอยังต้องเจ็บต้องปวดมันอยากไม่ให้เจ็บอยากไม่ให้ปวดถึงอยากยังไงมันก็เป็นไปตามใจหวังไม่ได้เพราะสิ่งนี้มันจะต้องมีอยู่นี้เป็นอยู่อย่างนี้ตามเหตุตามปัจจัยของมันวิธีการของพุทธิยถาท่านสอนอยังไงท่านสอนให้ยอมรับโอภาวะอันนี้มันมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ ภาวะอันนี้คือภาวะอันหนึ่งจิตคือผู้รู้ว่าอันนี้คืออันนี้เป็นอันนี้เป็นภาวะอีกอันหนึง่งเมื่อจิตยอมรับแล้วก็วางเมื่อจิตยอมรับแล้วก็วางพอวางแล้วมันจิตของเรามันก็ถอยมาถอยมาถอยมาเหมือนขันทั้งห้าทิ์ท่านให้เราศึกษาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ละให้วางเราวางรูปรูปไม่ใช่อากาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนรูปเกิดขึ้นมีขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเหตุ ป, ปัจจัยของรูปรู้จักไหม ดินน้ำลมไฟเกิดมาจากธาตุพ่อธาตุแม่ประกอบกันในท้องแม่หลังจากประกอบกันแล้วก็จะพัฒนาไปตามรูปแบบการอุบัติเกิดขึ้นของมนุษย์ถึงคราวเจริญเจริญไปออกจากท้องแม่ไป70 60, 50, 60, 60ือบสิบหปีหกสปีถึงคราวพอพอพอไปถึงปลยเสื่อมก็เริ่มเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงพอถึงวัยวจรเจริญเจริญเจริญขึ้นแต่ที่ลราก็เสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลง ตามภาวะความมีความเป็นของรูป น, นี่คือภาวะของรูปอ่เหตุปัจจัยของมันก็คือดินน้ําลมไฟเนี่ยดินน้ําลมไฟมันไปกับอะไรไปกับอาหารที่เราเอาเข้าปากนี่แหละอ่าตอนอยู่ในท้องแม่ธาตุพ่อกับธาตุแม่ก็คือดินน้ําลมไฟของพ่อดินน้ําลมไฟของแม่มาประกอบกันเพราะเรื่องของตันหาแล้วเนี่ยมันจะต้องมามีเนื้อมีหน่อต่อแขนเพื่อสลับสืบพันธุ์ขยายพันของมัน ที่จะผูกพันให้เราอยู่ในโลกจึงมีสิ่งว่านี้เป็นอยู่คิดให้เลยนั่นไปได้ไหมคิดให้เลยที่ทาธาตุพ่อกับธาตุแม่ประกอบกันเราคิดเลยไปถึงตัณหาตัณหามีในใจของพ่อไหมตัณหามีอยู่ในใจของแม่ไหมก่อนที่ท่านจะประกอบคิดเหล่านี้ให้เกิดมีการผสมกันนี่ตัณหามีอยู่ในนั้นนี่เราเห็นว่าต้นตอแท้ๆของมันคือตัณหา ตัณหานี่เราเรานั่งพิจารณาเรานั่งภาวนาเรานั่งพิจารณาได้เรื่องของตัณหาเนี่ยความดิ้นของจิตความทะเยอทะยานของจิตความดิ้นรนของจิตความอยากของจิตแต่มันจะอยากทวนกระแสทำอยู่ทุกระยะทุกเวลาอยากทวนกระแสทำเช่นอย่างสังขารสังขารอ่ามันทนอยู่ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนไปเป็นทุกขงังเป็นอนิจจ์ ใครไปบังคับบัญชาให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่ตัณหานี่มันจะเกนให้ให้เป็นนิดจังให้เป็นสุขขังและให้เป็นอัตตามันเลยเข้าข้างกิเลสทั้งหมดคําว่าอัตตาอัตตาอัตตาคือตัวตนพอตัวตนโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไหร่ก็เราคือของของเราเอาเป็นเอาตายได้ฆ่าได้แกงได้อะไรกันสารพัดนี่คือคือเราไม่ทันมันถ้าเราไม่ศึกษาเรื่องเหล่านี้ข้างในเราจะรู้ไม่ไหร่เราจะเข้าใจไม่ได้ เราก็ร้องเพลินอยู่ในวัดตาสงสารนี่ไม่มีจุดจบไม่มีที่จบเพราะทีมงานของมันมันมีพร้อมพร้อมที่จะเจริญพร้อมที่จะเสือ่อมพร้อมที่จะขยายพันุ์สืบพันธุ์ต่อก่อนที่มันจะทิ้งพบทิ้งชาก่อนที่ร่างกายนี้จะจะดับจากอัตภาพนี้ผู้รู้มันก็สืบหน่อต่อแขนงไปในแนวในแนวทางของมันไปถือปฏิสุทธิใหม่ตามพลังของบุญของบาปของกรรมมันมีอยู่เป็นอยู่อย่างนี้ ด้วยเหตุที่เราไม่ยอมรับนั่นแหละจึงเป็นเหตุให้เรายืดยาวไปไม่มีจุดจบไม่มีที่จบพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราพิจารณาเพื่อนลบรูปเพื่อรู้จากรูปไม่รู้จักเวทนารู้จักสัญญารู้จักสังขารและให้รู้จกักวิญญาณก็ไปศึกษาดูให้ดีอันนี้เป็นหลักใหญ่ใจความที่ทุกคนมีอยู่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้เราไม่เคยศึกษาพระพุทเจ้าท่านใช้คําว่าปุถุชนไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่ อวิชชาเราก็ยคลุมให้เรามืดมิดปิดทวานไปหมดเราเริ่มศึกษาเราเริ่มรู้ข้อปฏิบัติเริ่มรู้จักพิจารณาเริ่มรู้จักละเริ่มรู้จักปล่อยเริ่มรู้จักวางความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันมาทับถมใใหัวใจของเราตามอำนาจที่เราไปยึดไปถือไ ป, ไ, ปไปเกาะไปกลุมไปเกี่ยวไปคล้องเราจะปลอยเบาสบายจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหนี้ต่อเมื่อเรายอมรับเรายอมรับมันเท่ากับมันวางไปโดยอัตโนมัติขึ้นมา เรายอมรับหมายความว่ามันวางไปด้วยอัตโนมัติของมันเอาก็มันมีอย่างนี้ก็มันเป็นอยู่อย่างนี้จะเอาอะไรไปทําให้ไปทําอะไรให้มันเป็นอื่นไปได้มันมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ยอมรับจิตผู้รู้อันนี้เมื่อยอมรับแล้วมันก็วางวาแล้วมันก็ถอยตัวมาถอยตัวมาสามารถชะล้างอาการทั้งหมดนี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นกิริยาการของจิตรูปก็เป็นกิริยาการของจิตแต่หากได้ตามบุญตามกรรมนะ เหมือนอย่างพวกเรามีมีมนุษยธรรมเราถึงได้มาอุบัติเป็นมนุษย์บางคนก็เป็นมนุษย์ชั้นเลวบางคนเป็นมนุษย์ชั้นกลางเป็นบางคนเป็นมนุษย์มนุษย์ชั้นเลิ่เป็นบางคนเป็นมนุษย์ชั้นอัดชริยะมนุษย์มีคุณสมบัติไม่เท่ากันแตกต่างกันบางคนไม่มีคุณสมบัติพอจะเป็นมนุษย์ถ้ารู้ดวงนี้ไปเกิดเป็นอะไรไปเกิดไปได้อัตภาพเป็นสัตว์แทนที่จะมาได้อัตภาพมาเป็นไม่ได้ไม่มีคุณสมบัติพอที่จะได้ เกรดไม่พอไม่ผ่านที่จะได้มาอัตภาพเป็นมนุษย์เป็นช้างเป็นมา้าเป็นหมูเป็นหมาเป็นอะไรอะไรแล้วแต่ภพชาติเหล่านี้เราสับเปลี่ยนกันไปสับเปลี่ยนกันมาตามความดีความเร็วของจิตของเราเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องข้างในเรานั่งดูเห็นแล้วนั่งดูเห็นเรานั่งพิจารณาเห็นไม่ใช่เรามาพร่ำเหมือนอย่างนิยายปรามปราโบราณสิ่งเหล่านี้มีหมดกายมีไหมเวทนาสุขทุกข์ในใจของเราในกายเรามีไหมสัญญา ความจำได้ไหมายรู้สังขารความนึกดีนึกไม่ดีเนี่ยแล้วก็วิญญาณวิญญาณก็คือความรู้แจ้งทางตาท้งหูท้งจมูกท้งลิ้นทางอะไรสิ่งสเหล่านี้ถ้าเราจะคิดแล้วว่าเป็นเรื่องสูงและเราไม่ไม่เอามาพูดไม่เอามานึกมาคิดแล้วเมื่อไรเราจะได้จะได้รู้รู้จากเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ข้อมูลที่จะให้เกิดกิเลสข้อมูลที่ใช่เกิดธรรมเราลุไม่ได้ เราอยู่ในขั้นไหนระดับไหนก็ตามเราจะต้องมารู้สิ่งเหล่านี้เข้าใจสิ่งเหล่านี้การพัฒนาทางด้านจิตใจของเราถึงจะเจริญได้ถึงจะเป็นได้พัฒนาไปจนถึงข้อยอมรับโอ้สิ่งเหล่านี้เป็นสัจธรรมเรายอมรับเมื่อจิตมันยอมรับแล้วมันก็วางมันก็วางมันก็วางตันเขาปลาทานที่มันคอยมาสวมรอยมายึดมาถือมาอะไรแต่ไหมันก็หดตัวหดตัวเข้าไปโดยอัตโนมัติเข้ามันมันมันละเอียดลึกซึ่งต้องทําไปด้วยภาวนาไปด้วย ตั้งใจประพฤติไปด้วยปฏิบัติไปด้วยให้ทุกคนคิดว่ายังมีธรรมะที่ละเอียดออลึกซึ้งท่าที่พูดให้ฟังนี่เพื่อที่เราจะได้มารู้มาทาความรู้ทาความเข้าใจเราจะได้รู้เหตุที่เกิดของกองทุกเหตุตั้งอยู่ของกองทุกและเหตุ ด, ดับไปของกองทุกอย่าลืมว่าเราไปเกิดพบใดชาติใดก็ตามพบเล็กพบใหญ่พบขนาดไหนก็ตางถือว่ากองทุกเกิดความทุก เ, เกิดที่ไหน เกิดที <PTSD> ่ไหนความทุกข์เกิดที่นั่นมีพบชาติที่ไหนความทุกข์โผล่ที่นั่นมีพบชาติที่ไหนมีมีมีมีกองทุกข์เกิดที่นั่นพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกพระอริยสาวกท่านละท่านวางสิ่งเหล่านี้ได้ไม่มีไม่มีอุปาทานละวางปาทานได้สืบเนื่องมาจากวางตัณหาได้เมื่อวางตัณหาได้อุปาทานก็ดับโดยอตโนมัณ์วางตัณหาได้อุปาทานก็ไม่มีภพก็ไม่มี เพราะหมายกว่าที่เกิดในเมื่อที่เกิดไม่มีผู้ที่จะไปอบัติิบัตในพบนั้นๆก็ไม่มีมันไปจากกิจดวงเดียวนี่แหละที่จะไปเกิดไ ป, ไปเกิดในพบภูมิทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเป็นเห็นว่าเราจะต้องศึกษาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจนีม่มีความสําคัญอยู่นะโอ้แต่ทําไมไปจับธรรมะลึกสั่งเข้าใจยากนะเอ า, เอ า, เอ า, เอาพอสรุปให้ฟังสัหน่อยเถอะ เข้าพูดเรื่องคหายเข้เข้าใจนะไม่เกิดในอนหนสดี่นอเข้าใจไมมีคาถามไหม เกินที่จะมีคำถามมันลึกเกินไปผู้ชายค่อะคำถามที่จะเจริญอี่ิลิยอีติลิตหรอถามถึงคนทางที่จะเจริญอิติลิศ แล้วก็อิทธิฤทธิ์มันจะใช้ได้อย่างไรเพื่อจะอเพื่อความสุขคงสัรพสัตังหลายได้ไมเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์ อ, ช อ, องสพพะสัตังหลายอิทธิฤทธิ์นี่เราจะเราจะเอาอะไร อ, อิทธิฤทธิ์ทุกอย่างอิทธิฤทธิ์ทุกอย่างปาฏิหาราเทศนาปาฏิหาร คือคำเทศคําสอนของพระพิฆาตสอนเพื่อให้เราเข้ามารู้หลักศักจธรรมอันนี้เป็นอิทธิฤทธิ์อย่างยิ่งจะทําให้เราเนี่พ้นทุกพ้นโทษไปได้อิทธิฤทธิ์อย่างอื่นทําให้เราหลงอยู่ในโลกสงสารเฉยเฉยก็เหมือนอย่างพระเทวทั ต, แ, ตแสดงฤทธิ์ได้ไหมพระเทวทัตแสดงฤทธิ์ได้ให้มีงูพันหัวพันคอมือพาอะไรแสดงฤทธิ์เข้าไปหาอาชาตศัตรูอาชาตศัต ร, าาตตรูเห็นเห็นอิทธิฤทธิเหล่านั้นเกิดความเลื่อมใสศรัทธา แต่ในที่สุดพากันลงอเวจีทั้งหมดเทวทัวตก็ลงอาวจีมหา ร, รกอือิชาตศัตรูก็ตกหม้อทองแดงเพราะฆ่าพ่อของตัวเองนั่นคืออิทริตทําให้คนชวนคนลหลงไหลเผลออยู่อย่างนั้นเผลออยู่ยังงั้นแต่ในหัวใจของแต่ละคนแต่ละท่านนี่ถ้าใครมีนิสัยเป็นอิทริตก็จะเป็นเองถ้าใครไม่มีก็จะไม่เป็นเหมือนอย่างพระโมคคัลล า, านะท่านปรารถนาเป็นอาคัสาวกเบื้องซ้ายนี่ ประกอบไปด้วยท่านมีนิสัยชอบอิจฉริษเวลาท่านท่านได้และท่านก็เวลาท่า น, า น, า น, น, านบรรลุบรรลุพร้อมด้วยอิจฉริตพระจุลปันทกเนี่ยท่านบรรลุพร้อม้วยอิจฉริตเพราะมีนิสัยอยากมีอยากเป็นแต่ถ้าหากเราไม่มีไม่เป็นเราสามารถเข้าถึงธรรมด้วยข้อปฏิบัติของเราเองและก็สามารถพ้นทุกพ้นโทษได้เหมือนกันความสุขความสันติภาพของโลก เราจะไปถามหาถ้าหหัวใจเราไม่สงบหัวใจดวงหนึ่งไม่สงบสองดวงก็ไม่สงบสมดวงก็ไม่สงบถ้าหัวใจนับตั้งแต่หนึ่งดวงเป็นต้นไปนี่ก็สงบสงบสงบสงบสันติภาพของโลกไม่ต้องเรียกร้องโลกจะสงบขึ้นมาเองดูในใจของเราเคยสงบบ้างไหมถ้าใจของเราไม่สงบอย่าไปคิดว่าไปกะเกณให้คนอื่นสงบสงบไม่ได้ดอกเพราะฉะนั้นเราจะเอาฤทธ เดชอภินิหารอะไรต่ออะไรก็ตามเอาไปทำให้เกิดโลกสันติสุขนอกจากธรรมะไปแล้วไม่มีคนทั้งโลกสัตว์ทั้งโลกถ้าเอาธรรมะของพุทธเจ้าไปใช้เป็นศาสนาเดียวที่ทำให้โลกนี้เกิดภาวะแห่งสันติภาพได้สันติภาพคือภาวะแห่งความสงบแต่เดี๋ยวนี้เขาต้องการให้โลกสงบเพราะอะไรเขาฆ่าเราหนึ่งเขาฆ่าเราหนึ่ ง, เ ร, งเราไปฆ่าเขาหนึ่ง เขาเอาเราเป็นสิบเนี่ยมันแก้แค้นกันไปแก้เขาเอาเราเป็นสิบเราเอาเขาเป็นร้อยเขาต้องตายเป็นร้อยเราเอาเขาเป็นร้อยเราจะต้องตายเป็นพันโลกนี้ไม่มียุติไม่มีข้อยุติในเมื่อเราทำเพื่อเป็นเหตุไม่เป็นเหตุเพื่อความสงบเพื่อความสุขแบบนี้สันติภาพจะไม่เกิดขึ้นมีขึ้นในโลกเราฝันเฉยเราอยากได้ริเดชอภิน ญ, ญาอภินิหารไปทาให้โลกสันติสุขวงังเฉย ความคาดความหมายความเดาเราก็มีแต่ความหวังเฉยๆในที่สุดเมื่อไม่สมหวังเราก็ทุกข์ซะเองเราทําจะให้สงบความสงบในใจของเรานั่นแหละคือฤทธิ์ฤทธิ์อย่างหนึ่งสามารถทําให้กิเลสสงบระ ง, งับได้กิเลสยังไม่หมดนะแต่สงบระ ง, งับได้คือฤทธิ์อย่างหนึ่งของเราแต่จะเกิดขึ้นได้แต่เมื่อเราเอาศัยเรี่ยวแรงด้วยกําลังวังใจด้วยสติด้วยปัญญาของเราเนี่คือคือคือความ อาเทศนาปาติหารปาฏิหารก็คือฤทธิ์คือเดชของการเทศนาดักใจอย่างนั้นดักใจนี้พุทธเจ้าท่านทรงแสดงฤทธิออ์อาพินิหารโดยฤทธิอ์อาพินิหารโดยข้อปฏิบัติสรุปลงแล้วอภินิหารโดยข้อปฏิบัติที่พุทธเจ้าท่านสอนหลักอริยรษษสัจสี่นั่นนะ่ะทำให้ผู้คนได้ยินได้ฟังฝึกฝนอารมณ์ตามได้แล้วสามารถเข้าถึงกระแสธรรมเข้าถึงกระแสธรรม เหมือนอย่างพระัญญาโกณทัญยัเข้าถึงกระแสธรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้มันยิ่งกว่าฤทธเดชของอภิญิหารใดๆทั้งสิ้นเป็นฤทธเดชของอาเทศนาปาฏิหารนี่ปาฏิหารด้วยธรรมะเอาแค่นี้ก่อน <laughs> die magischen Fähigkeiten sehen kann. <coughs> so viel zusammengefasst. r i d d a p i t <lacht> h a n r i d d a p h a n e c h a n n a i l l k a n s schaueg. Aber wenn es i kann man es c h a u r wenn m a i l l kann man es s c h a u e น Aber wenn man es will, kann man es s c e g a b e n n a n w i l h a b e n n i l l k m e h a Aber wenn a n e n n m c h a u e g r wenn man w i l h a b e e n e i n n h a b e e n e i n e a a r m a l a s e r w i h a e e e n w i h a e e e n w i h a e e e n w i h a e e e n เมื่อเรามีความพอใจแล้วก็มีความเพียรพยายามฉันทะวิริยะจิตตะจดจ่อในการทำงานเหล่านั้นวิมังสามีปัญหาก็ไข้ ค, ครควนไตรตรองทำให้งานเหล่านั้นสาเร็จไปได้ในใจของคนของเราของท่านเนี่ยเราหวังเหลือเกินเราหวังปรารถนาสิ่งใดให้สาเร็จสมใจหวังแต่บั้นปลายสุดท้ายได้แท้หวังอะไรเราทุกกับสิ่งนั้นหวังอะไรเราทุกกับสิ่งนั้นเพราะ มันไม่สมใจหวังการต้องการและก็สมใจหวังนั่นแหละคือฤทธิ์ฤทธิ์เลยว่าสำเร็จตามที่เราต้องการฤทธิเดชอภินิหารเลยว่าเราต้องการยังไงความชอบใจของสิ่งที่ยุ่ยแย่ให้จิตของเรามีความยากถ้าผึ่งืก็คือตัห า, าไม่ยอมรับความเป็นจริงแต่วิสัยของพระพุทธเจ้านั้นน่ะมีฤทธ มีริดเพื่อสลับจะปราบพวกมิจฉาทิฐินีพ่พระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาจำเป็นจะต้องมีมีเพื่อปราบมิจฉาทิฐิพวกมีความนึกความคิดที่จะมาขัดมาแยง้งมาต่อมาโต้วิสัยของพระพุทธเจ้าจะมีเหมือนอย่างพระองค์ไปทรมานอุรุเวลาเวรกสปะมีอิทธิฤทธิเป็นร้อยรอยเป็นพัน พ, นพนอย่างไปทรมาน พระอุรุเวลาคัสปะเขาเป็นเจ้ารัทติเจ้ารัติหนึ่งที่เขาถือว่าเขาสําคัญมากเยี่ยมมากและสําคัญตัวเขาเองว่าเขาเป็นพระอรหันด้วยนะอุรด้วยลากัสปะนะ ท, นทําอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทำอย่างนันอู้มีฤทธิ์มากมีเดชมากแต่สู้เราไม่ได้เราเป็นพระอรหรันพรพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์แสดงเดชยังไงพทุทธเจ้าท่านแสดงฤทธิ์แสดงเดชให้ปรากฏด้วยพระไทยของกรงกอดดูไปที่จิตของเขาด้วยเขายอมรับไหมพอวาระสุดท้ายที่เขาจะยอมรับนั่นะ มันผ่านไปเป็นร้อยๆเป็นพันๆอย่างแล้ ว, วอิทธิฤทธิ์ที่พระพุทธเจ้าสเสด็ให้เขายอมรับแต่เขาก็ยังสําคัญมั่นหมายว่าเขาเป็นพระอรหันต์อยู่นั่นแหละเนี่ยเขาคิดว่าความเป็นจริงของเขาเขาเป็นพระอรหันต์แท้ที่จริงยังเป็นจอมปลอมอยู่นี่เห็เราเห็นความโง่มันปิดมันบงังมันไม่ใช่ธรรมดาตอนสุดท้ายก่อนที่เขาจะยอมรับเนี่ยวันนั้นนี่ฝนตกหนักน้ําท่วมเจิ่งนองเต็มไปหมด อ, อุ ร, รุละกัสสปะกับลูกศิษย์ลูกหาก็อยู่ที่หนึ่งพระพุทธเจ้าก็อยู่ในบริเวณนั้นแหละ น้ำท่วมไปหมดน้ำท่วมน้ำเ น, นมันกลายเป็นกำแพงกัน้นน้ำเองไมาให้น้ำมันทะลักเข้าไปหาพระองค์ก็เดินจงกลมอยู่ที่ฝุ่นคลุ้งอยู่น้ำมันกลายเป็นกำแพงกัน้นน้ำเองพระองค์ก็เดินจงกลมอยู่รู้ว่ากษัตรประคับลูกสิบพายเรือไปเห็นโอ้พระโคดมโอ้ฤทมีฤทธิ์มากมีเดชมากมีอนุภาพมากแต่สู้เราไม่ได้สร้างนพระรหนต์พระพุทธเจ้าท่าน ท่านทำท่านทำแล้วท่านดูมาที่จิตของเขาของของเขาด้วยพุทธเจ้าท่านดูเห็นทั้งข้างในข้างนอกจิตคนดูดูออกหมดดูเหมือนเห็นตาเนื้อนี่แหละพอพรพุทธเจ้าได้ช่องว่าใจเขายอมรับเต็มที่เขาพูดเหมือนเดิมแต่ใจเขายอมรับซีโรษะแล้วแหละนีพระองค์ก็เลยตรัสเลยกัสปะเธอสําคัญใจว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์แท้ที่จริงข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์เธอก็ยังไม่รู้จัก โอ้โหเขาอ่อนโยกราประหลอ ก, ลกขอบวชทันที น, นั่นนี่คือพระพุทธเจ้าสลับไปทรมานพวกมิจฉาทิฏฐิแบบนี้พราะทรมานกสปะได้เท่านั้นแหละได้บริษัทบริวารเพิบเดียวเป็นพันคนหนึ่ันกับ3องค์เป็นพระสาวกของพระองค์นี่พระพระพระพุทธเจ้ามีฤทธิ์เดชสลับทรมานสิ่งเหล่านี้สมัยหลวงปู่มัม่นของเราหลวงปู่มัม่นท่านเคยปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะ หลวงตาท่านว่าถ้าถ้าทำชะลาก็เท่ากับ ม, มูร์ราคาเสร็จแล้วหลวงปู่หลวงปู่มั่นนะทีนี้ตอนหลังมาท่านมาเห็นว่าความยาวนานของวัดตัดสงสารมีแต่ทุกข์กับทุกข์ทุกท่กทกทกทานก็เลยกลับความนึกคิดใหม่ขอให้พ้นทุกข์ขอให้พ้นทุกข์พน้พนโทษไปในวัดตัดสงสารก็พอนั้นแหละพรอหลังจากท่านมักกลับมักกลับเพื่อเป็นพระสาวก ข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นภาษาสดากับพระสาวกหนึ่งมันก็ข้อปฏิบัติชะล้างขัดเกลาไปจากพื้นเพือ่อดั้งเดิมนั่นนี่แหละพอหลังจากกลับใจปับ๊บท่านก็ปฏิบัติพ้นไปได้อย่างรวดเร็วแต่คุณวิเศษยังมีอยู่หลวงปู่มาเนี่ยท่านจะเห็นหมดนะเห็นจิตพวกเราเนี่ยใครนึกยังไงใครพูดใครนึกยังไงคิดยังไงอะไรยังไงท่านดูท่านเข้าใจหมดเขาเรียกว่าประจิตประจิตนี่คืออภินิหารแต่ท่านเห็นท่านก็ไม่ได้ ท่านก็ไม่ได้หลงเพลินไปกับความเห็นของท่านเหมือนกับเรามีตาเห็นรูปเป็นปกติธรรมดาเห็นข้างนอกกับเห็นข้างในก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันสลับผู้ที่มีแต่สลับผู้ที่ไม่มีเท่านั้นแหละเห็นเป็นเรื่องเป็นริษเป็นเดชเป็นอัศจรรย์เนี่ยสี่ันี่มีในในพระศาสนาที่มีนะแต่ว่าสู้อาเทศนาปาฏิหาริย์เทศดักใจไม่ได้ มุทิตเจ้าท่านมีริมีเดชมีภินิาหารเทศดักใจคำว่าเทศดักใจก็คือกลับทิฏฐิของคนจากมิจฉาทิฏฐิให้ใกลายกลายเป็นสัมมาทิฏฐิคือเหมือนอย่างเทศดักใจของภูรูรักษาปะอนี้รู้รู้หมดรู้เงินไข ร, รู้เหตุรู้ผลหมด <laughs> พอสมควรเลวเนาะพอสมควรนะนรอพอสมควรก็ใช้ อ่าเอาให้พรละพร อ, อ่าขอให้เราตั้งใจภาวนาให้ใจได้รับความสงบจะมีความสุขให้ปรากฏทันจิตทันใจทันตาเราเห็นเรื่องทิศเรื่องเดชเรื่องอภินยาของของใครของท่านมีก็คือของท่านมันสมพั์ของเราพื้นฐานไปจากความสงบ ทำใจให้ได้รับความสงบท่านจะเห็นความอัศจรรย์นในใจของท่านเองเราไปหลงเราไปหลงกับทรัพย์ของคนอื่นเราก็ไม่ได้ใช้ได้เสอยชมเฉยๆรวยเหลือเกินรวยเหลือเกินแต่เป็นของคนอื่นทั้งหมดขอให้เป็นของเราเราทาได้ความสงบขอให้เราทาให้ได้เถอะเราจะภูมิใจเราจะพอใจกับความสุขที่เรามีความสงบนี่ก็เป็นฤทธเดชอภิญญาอย่างหนึ่งของเราที่เราทาได้ ยพัญญาที่แท้จริงก็ไปจากอันนี้ทามไม่มีอันนี้เป็นต้นทุนเป็นหลักมันก็ไปไม่ได้ขอให้เราทําเบื้องต้นให้ปรากฏซะก่อน <c oughs> ให้พรต่อไปให้พรไม่ต้องพูดนะต้องแปลไหมแปลเยว่แรกเรียโยหน่น อ, นอรครับเอาให้พรนะให้พรคนเดียวให้พร อ, องค์เดียว อิจฉิตตังปะติตังตุมหังคิปะเมวัสมิชตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสพีติโยวิวัชันตุสัพโรโควินั ส, สตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภะอะภิวาธนาศิสนิจังพุทธาปัจายนโนยัตาโรธรมมาวัฏฐนติอายุวนโน ส, สุคลังพลังภวะตุสัพพมังพลังรักขันตุสัพเทวตา สัพพุทธานุภาเวนะสัทาโสธีพระวันตุเตภวตุสัพพมังฆลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรมานุภาเวนะสัทาโสธีพระวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสัทาโสตีพระวันตุเต